เรรินพรทุกๆ ท, ท่านที่ตั้งอกตั้งใจในการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผ่านมาแล้วสี่ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าเ่งครั้งที่ผ่านๆมา ก็ได้บรรยายในเรื่องของคำว่ายินดีในธรรมบางเอ็นว่าโยมก็ชื่อยินดีพอดี น, นี่ธรรมะก็คือธรรมชาติยินดีในธรรมเราจะเอาธรรมไหนกันแน่ธรรมที่เป็นกุศล ก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีฉันั้นการมาในที่นี้ก็เรามาต้องการธรรมะที่เป็นกุศลก็จึงขอตั้งชื่อกับทุกๆคนว่าชื่อยินดีกันไปหมดเพราะยินดีในธรรมเอาไปปฏิบัติ ยินดีในธรรมก็คือได้พูดไปแล้วคำว่าธรรมมาราโมยินดีในธรรมเมื่อยินดีในธรรมฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ค่อว่ายินดีในธรรมเหมือนกันนั้นการยินดีในธรรมเอาธรรมะที่ฟังไปคิดไปนึกไปปฏิบัติ เอาไปภาวนาจึงชื่อว่าภาวนารามโมยินดีในการภาวนาพระธรรมะนี้มากมายทีนี่ธรรมะแต่ละข้อที่เราต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญาและเอาไปดับทุกข์ฉะนั้นเราก็จะต้องภาวนาต้องยินดีในการภาวนาอีก ยินดีในการภาวนาที่ว่าปาวนาราโมนี่ก็พูดไปแล้วเมื่อตอนปากจ้ามือที่ผ่านมาทีนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าป า, านาราโมยินดีในการละกิเลสป า, านะป า, านะหรือป า, านานิแปลว่าละ ละปานาราโม ย, ายินดีในการละยินดีในการละละอะไรกันบ้างก็คือละตัวกูละความเห็นแก่ตัวเมื่อเรามีความเห็นแก่ตัวเราก็ต้องละความเห็นแก่ตัวนั้นทีนี้ความเห็นแก่ตัวต้องละศีลอย่างนี้ศีล น, นี่ ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแ8ดศีลนุโสดหรือศีลที่มากกว่านั้นศีลมีการปราบกายกับวาจาให้กายกับวาจาเข้าที่ก็คือละเหมือนกันการรับศีลเอาไปปฏิบัติก็เพื่อที่จะละความเหม็นแก่ตัวความเหม็นแก่ตัวศีล ทั้งทุกๆข้อก็คือละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นทุกๆข้ อ, อทีนี้พอไปสมาธิสมาธิก็ละอีกเหมือนกันสมาธิก็คือละสิ่งที่วุ่นวายที่มันปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตทำจิตให้มันสงบละความวุ่นวาย ก็คือเรื่องปรุงแต่งต่างๆที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นก็จะต้องละจะต้องละถ่าละชั้นสูงละชั้นสูงชั้นสูงก็คือระละละราคะละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละตัณหาละอุปาทาน ละหมดนี่ในวันละทางนั้นเลยเรื่องของการละทางนั้นเลยทีนี้ไม่ให้จิตอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเราก็จะต้องป้องกันป้องกันจิตเอาไว้ด้วยการมีสมาธิมีสมาธิทาสมาธิให้จิตมีสมาธิพอจิตมีสมาธิจิตที่มีสมาธิแล้วคิด วิจัยวิจารธรรมะต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นปัญญาเห็นศีลมีหน้าที่ในการที่จะบังคับกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิตให้จิตนั้นไม่วกเวกไม่วกเวทให้เดินไปทางสายเดียวเหมือนกับว่าน้ำอย่างเนี้ยน้ำที่เขากั้น เป็นเขื่อนเป็นอะไรเนี่ยให้มันลงมาสายเดียวเปิดออกไว้สายเดียวแล้วก็ทําให้มันเกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้นี่จิตก็เหมือนกันเราไม่ให้มันพราดเรียกว่าพลาดถ้ามันพลาดไปมันก็มันคิดอะไรก็ผิวผิวเผลอเผลอฉะนั้นเราทําสมาธิาธรรมะสมาธิาธไอจิตนิ่ง พอคิดน like, right. like like like ิ่งอลไรกเดี <Yeah. S 2> <No. S 1> <'s> ่ยวเลยทีนี้เดี๋ยวว่าคิดอะไรก็เจาะลงไปเลยเจาะลงไปเลยนี่คิดโดยปัญญาแล้วโดยปัญญาคิดเจาะลงไปเลยที่มีหน้าที่ในบังคับมีการบังคับกายวาจาสมาธิบังคับจิตทีนี้เมื่อเรามีสมาธิเราก็ได้ปัญญามาเมื่อเราทำสมาธิเราก็เริ่มปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติโดยการวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยไปเรื่อย จไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเกิดปัญญาขึ้นมาให้ใจมันเกิดทีเดียวแล้วมันจะพอมันก็ค่อยเติบโตขึ้นโติบโตขึ้นเติบโตขึ้ น, นจนมันมีพลังพอพอพลังของปัญญานั้นพอปัญญามีหน้าที่ในการที่ปราบกิเลสก็คือบังคับกิเลสเรียกว่าอุปาธิอุปาธิอุปาธิ กิเลสทั้งหมดเนะว่าอุวปัสสาทีนี้ปัญญามีหน้าที่ในการปราบกิเลสเมื่อปราบกิเลสเป็นยังไงทีนี้มันก็ปราบกิเลสลงตัวคือให้มันลงตัวปราบให้มันหมดปราฆโทชาโมหะมานะทิตติตนาอุปาทานนพราปราบกิเลสคือความเห็นแก่ตัวหรือปราบตัวกูให้มันออกไป พอปราบตัวกูมันออกไปสิ่งที่จะเข้ามาก็คือสติปัญญากิเลสออกไปก็จะมีปัญญาทีนี้มีปัญญาจิตนั้นก็จะมีปัญญาทีนจิตที่มีปัญญานั่นแนมีสติมีปัญญาวา่าใจงานทีนี้ปัญญานั่นแหละววาใจงานจะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรปัญญาทางนั้นโดยในเรื่องของปัญญาทางนั้น นี่เรียกว่ากองปราบศีลก็ เ, เป็นกองปราบสมาธิก็ เ, เป็นกองปราบปัญญาก็เป็นกองปราบนี่เป็นกองปราบปราบแต่ว่ามันคนละเรื่องกันศีลมันก็เรื่องที่หยาบหยาบคือกายกับวาจาสมาธิก็ลึกลงไปอีกเป็นเรื่องของจิตปัญญาก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสทั้งหมดนั่นแหละต้องใช้ปัญญาปราบนี่เรียกว่า ละภาหนาราโมยินดีในการสลกักยินดีในการสลกักยินดีในการละยินดีในการละก็คือละกิเลสละกิเลสอะไรที่มันไม่ดีเราจะต้องรู้เราต้องรู้เราในที่นี้เราในที่นี้ก็คือตัวปัญญานนะตัวปัญญานี้จะต้องรู้รู้ว่า ก, กิเลส ต, ตัวนี้ไอ้ตัวขาดติ มันก็ใช้ไม่ได้ไอตัวขาดปัญญามันก็ใช้ไม่ได้ไอตัวขี้ลืมมันก็ใช้ไม่ไ hmm. ด้ไอตัวที่ไม่มีความเพียรมันก็ใช้ไม่ได้ไอตัวโง่มันก็ใช้ไม่ได้นี่แล้วกว่ากิเลสทางนั้นเลยกิเลสทางนั้นสิ่งไหนที่มันทําไปเพื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ทําไปเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยก็เป็นกิเลสทางนั้นนี่เป็นกิเลสทางนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะกิเลส ด้วยการผลิตจิตนี้ให้เข้มแข็งพอจิตเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็คือปัญญาพอจิตเข้มแข็งจิตนั้นสามารถที่จะแยกมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตจิตโง่ก็รู้จิตฉลาดก็รู้ ยึดมั่นถือมันมมนอม่นก็รู้จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก็รู้ไอ้นี่จิตปล่อยวางก็รู้นี่ต้องรู้นี่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตจิตมีกิเลสจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ต้รู้ทีนี้ถ้าจิตโง่มันไม่รู้จิตโง่ไม่รู้ก็จิตโง่นั่นแหละอยู่ใต้อํานาจของกิเลสก็เราเราียกว่าจิตอวิชชาจิต น, นั้นเนี่ยเป็นอวิชชา นี่ถ้าจิตมันเป็นปัญญาจิตนั้นเป็นปัญญาก็เรียกว่าจิตวิชาจิตวิชาถ้าจิตวิชาเรียกว่าใช้ได้ถ้าจิตยังเป็นอวิชชาอยู่ก็ใช้ไม่ได้ต้องให้จิตวิชากอจิตวิชาเสร็จแล้วจิตวิชานั่นแหละมันก็สามารถที่จะชนะกิเลสได้จิตวิชาเนี่ยมันจะเหมือนที่บอกเมื่อตอนเช้ามืดแหละ พออาวิชฌามันดับอาวิชฌาดับอาวิชฌามันกระดับจะดับก็เพราะราคะโทสะมันหับดับราคะโทสะโมหามันดับก็เพราะอาศัยนิโรธอาศัยนิโรธนิโรธคือตัวดับนิโรธตัวดับที่จะได้มาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามอาลียมัสมีองแปดนี่ทีนี้อาลียมัสมีองแปด ที่เราปฏิบัติคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิพอได้พอปฏิบัติตามปัญญาศีลสมาธิจนเราได้ปัญญามาพอได้ปัญญามากก็เป็นนิโรดนิโรตนั้นก็มาดับเอได้เกิดทุกข์เอได้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาก็ได้ราคะก็ได้โทสะก็ได้โมหก็ได้แต่ว่าโดยส่วนมากพระองค์ตรัสว่า นิพพานเพราะว่าละราคะละโทสะละโมหะราคะโทสะโมหะเป็นอาหารของอวิชชาเหมือนที่พูดได้ควังนั่นแหละทีนี้เมื่อไปดับดับนิโรธไปดับดับราคะดับโทสะดับโมหะเมื่อราคะโทสะโมหะดับอวิชชาหมดอาหาร อาวิชาไม่มีอาหารกินเมื่ออวิชาไม่มีอาหารกินอาวิชาก็เลยตายอาวิชาตายนะไม่ใช่คนตายไม่ใช่คนตายดับก็ไม่ใช่ตายก็หมายถึงกิเลสมันดับทีนี้เราไปว่าถ้าดับก็คือคนตายมันไม่ใช่มันคนละเรื่องคนละเรื่องดับกิเลสมันดับทีนี้กิเลสมันดับก็เกิด เป็นพระพุทธเจ้าพรุงขึ้นมานี่เกิดวิชาขึ้นมาเกิดวิชาเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเห็นอริยสัจสี่เสร็จแล้วอริยสัจสีส่วนที่เป็นนิโรธก็เข้ามาดับราคะโทสะโมหะเจ้าความใจสิทธิัตถาก็ตายอาวิชชาทั้งหมดอวิชชาทั้งการวิญญาณ น, นามรูปอายตนะปัจจะทั้งหมดนั้นตายดับหมด ทีนี้พทั้งหมดนั้นดับหมดกลายเป็นวิจชาหมดดับดับไม่ใช่ว่าหายไปไม่ได้หายไปเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนจากอวิจชาเปลี่ยนเป็นวิจชาเปลี่ยนเป็นวิจชาเปลี่ยนเป็นวิจชาก็าคือเปลี่ยนเป็นสติปัญญาเมื่อเปลี่ยนเป็นสติปัญญา ส, анов, สังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขาร สังขารคือการกระทำการกระทําทางกายเมื่อก่อนนะกูทำพูดก็กูพูดคิดก็กูพิษกูคิดนั่นเมื่อก่อนตอนที่มีอาวิชาอยู่แต่พออาวิชาตายไปพออาวิชาดับไปเกิดวิชาเกิดสติปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นม า, าสังขารกายสังขารวจีสังขาร มโนสัมขามก็ไม่ใช่กูแล้วไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูทำไม่ใช่กูพูดใครทีนี้สติปัญญาควบคุมหมดกายก็สติปัญญาก้าวไปควบคุมวาจา ก, ก็สติปัญญาก้าวไปควบคุมใจก็สติปัญญาก้าวไปควบคุมคำว่ากูหมดที่บอกว่าว่างจากกูนั่นแหละคำว่ากูหมดไป มีเดชสติปัญญาคิดด้วยสติปัญญาทำด้วยสติปัญญาพูดด้วยสติปัญญานี่คือสังขารเรียกว่าสังขารทีนี้สังขารเมื่อเป็นวิชานี่เมื่อเป็นอาวิชชาเราเรียกว่าสังขารแต่พออาวิชชาดับไปเป็นวิชากลายเป็นวิชาพอกลายเป็นวิชาสังขารก็เลยกลายตัวไปด้วย สังขานก็เลยกลายเป็นวิสังขารคือปราดจากตัวกูไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูทำไม่ใช่กูพูดสติปัญญามันคิดสติปัญญามันทำสติปัญญามันพูดนี่ชื่อว่าวิสังขารจากสังขารก็เป็นวิสังขารวิสังขารก็แปลว่าปราดจากสังขาร เมันไม่มีสัตว์มันไม่มีคนมันมีแต่สติปัญญาเท่านั้นเองมีแต่สติปัญญาแค่นั้นแค่นั้นตัวกูหายไปหมดทีนี้เมื่อสังขารดับวิญญาณตัวรู้วิญญาณวิญญาณหกวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจ วิญญาณคือตัวความรู้ตัวความรู้ตารูปจักูวิญญาณนั่นคือรู้ทางตารู้ว่ามันรูปอะไรรูปอะไรทีนี้เมื่อก่อนกูรู้วิญญาณมันกูรู้กูรู้กูเห็นกูเห็นกูเห็นกูรู้กูทํากูพูดทีนี้วิญญาณกูรู้ กูรูก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาอาวิชาหายไปสังขารก็เป็นวิสังขารวิญญาณก็เป็นนววิญญาณเหมือนเดิมคือตัวรู้แต่ว่าเปลี่ยนจากกูรู้เป็นสติปัญญาเป็นผู้รู้สติเป็นปัญญาเป็นผู้รู้รู้ทางตาก็สติปัญญามันเห็นมันรู้ตาเห็นตารู้จากหูวิญญาณ นั่นน่คือความความรู้เนี่ยจากผู้วิญญาณจากผู้วิญญาณรู้ว่ามันรูปอะไรไอ้ที่เห็นเนี่ยมันรูปอะไรทีนี้ว่าเออนั่นรูปคนผู้หญิงผู้ชายเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ้วาวพอสติปัญญาหรือวิชาเข้ามาควบคุมเห็นเป็นอะไรเห็นรูป แต่ว่ารูปนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตน mm hmm. เกิดดับว่างจากตัวตนไอ้ตาตาเองที่เห็นที่รู้น่ะตาที่เข้าไปรู้น่ะเห็นี่นก็เข้าไปรู้เข้าไปรู้ก็ไอ้ตัวรู้นั่นก็เกิดดับว่างจากตัวตนนั่นคือตัววิญญาณวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตน ทีนี้ทางหูก็เหมือนกันทางจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าจักกูวิญญาณรู้ทางตาโจตาวิญญาณรู้ทางหูคานะวิญญาณรู้เรื่องกลิ่นทางจมูกลกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกันอะไรไม่รู้ตัวรู้ทางนั้นเลยรู้ทางลิ้นก็คือรสชาติต่างๆของอาหารรู้ทางกายสิ่งที่มาสัมผัส รู้ทางใจคืออารมณ์ต่างๆที่เก็บมาไม่รู้จักปล่อยวางนี่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทีนี้ถ้ากูรู้ก็เป็นอวิชชาเพราะไปเอาวิญญาณมาเป็นกูแต่ถ้าวิญญาณที่ปราศจากกูแล้วคือถูกควบคุมด้วยสติปัญญาแล้วเปลี่ยนเจ้านายหม่อยตอนนี้เจ้านายหม่อยเจ้านายเขานะ่ยมันยึดมั่นถือมั่นทางนั้น แต่เจ้าในายใหม่นี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นเป็นธรรมชาติตาก็เป็นธรรมชาติรูปก็เป็นธรรมชาติจักกูวิญญาณความรู้ทาง ต, า ก, ก า, ตาก็เป็นธรรมชาติปัจจาก็เป็นธรรมชาติเวทนาก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับว่างจากตัวตนวิญญาณ น, นั้นก็เลยเปลี่ยนรูปจากกูรู้ เป็นสติปัญญารู้ขึ้นมานี่ในปฏิจจธรมุรบาบาเป็นอย่างนี้คือฝ่ายดับเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อวิญญาณดับเมื่อวิญญาณดับนามารูป ก, ก็ต้องดับอีกเมื่อก่อนที่อวิชจามันคุมอยู่ที่อวิชจามันคุมอยู่อวิชชาคุมรู้ร่างกายนี่ก็เป็นกูจิตก็เป็นกู้เป็นกูหมด กายเป็นกูจิตเป็นกูทีนี้นามรูปเรียกว่าขันห้าขันห้าขัน ห, นหก็คือรูปเวทนาจัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณรูปก็คือทุกสิ่งที่มันจับต้องได้ที่มันเปลืองเนื้อที่ที่มันเปลืองเนื้อที่นี่เราเรียกว่ารูปหมดรูปหมดนี่เรียกว่าเป็นรูปทีนี้ต้าเวทนา สัญญาหลังขารเิ็นญาณมันไม่มีรูปพวกนี้มันไม่มีรูปทีนีมน้มันไม่มีรูปเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่านามนามมันมีแต่ชื่อมันมีแต่ชื่อเวทนาอย่างนี้จับต้องมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ทีนี้มันทําให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ทาให้เราเป็นสุขก็ได้ทำให้เราโง่ก็ได้เวทนาสัญญาความจําความมั่นหมาย ความมั่นหมายมันก็ไม่มีรูปเหมือนกันสัญญาณมันนี่เรียกว่านามฉัญญากฉังขานตัวคิดตัวคิดตัวปรุงแต่งมันก็ไม่มีรูปอีกจับต้องมันไม่ได้อีกเรียกว่านามอีกวิญญาณคือตัวรู้มันจะกลมหมดนี้กลมหมดตัวรู้กลมหมดตัวรู้้ทีนี้ในเมื่อเราย่นย่อว่านามรูป นามรูปนามรู้ น, รนี่นามก็คือเวท a, านาจัญญาทางการวิญญาณทีนี้วิญญาณวิญญาณรู้อะไรวิญญาณเมื่อก่อนวิญญาณก็ข้าไปยึดถือตัวมันเองว่ากูรู้แต่เมื่อเกิดวิชาขึ้นมาสติปัญญารู้ทีนี้เมื่อสติปัญญารู้รู้เรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องกายเรื่องใจเรื่องกายเรื่อง ใ, ใจ เม่อน่อนมันกายกูใจกูนี้พอตอนนี้เกิดวิชาขึ้นมาแทนพอเกิดวิชาขึ้นมาแทนนั่นยังไงรูปเกิดดับว่างจากตัวตนรูปเกิดดับว่างจากตัวตนนามเกิดดับว่างจากตัวตนหรือว่าเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนสัญญาเกิดดับว่างจากตัวตน สังขารเกิดดับว่างจากตัวตนวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนหมดเมื่อก่อนมันไม่ว่างมันไม่ว่างเพราะมันเข้าไปยึดถือว่าร่างกายกูร่างกายกูใจกูร่างกายกูใจกูหรือว่าข้าไปยึดถือว่ารูปกูเวทนากูสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกูหมด นี่เรียกว่าอุปาทานขันข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้ารูปอูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูปก้าไยึดมัน่นรูปเรนี้ทํำยังไงเราก็เห็นว่ารูปก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตารูปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่คือจิต ที่ประกอบด้วยวิชาจิตที่เป็นวิชาเห็นว่ารูปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนไอ้นี้เวทนาเขาเหมือนกันอีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอีกเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันก็เห็นด้วยสติปัญญาหมดเห็นด้วยสติปัญญาหมดเมื่อก่อนมัน เห็นด้วยความโง่เอามาเป็นกูหมดเหมือนกันตอนที่อาวิชชามันควบคุมออกมาเป็นกูหมดรูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาเป็นกูสังขารเป็นกูวิญญาณเป็นกูหมดเป็นกูหมดออามาเป็นกูหมดนี่คือก่อนที่จะเกิดเห็นอริยสัจสี่ขึ้นมาทีนี้พอนามรูป เห็นนามรูปด้วยสติปัญญาแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปูปาทานขันโธเวทนูปารทานขันโธจันยูปารทานขันโธจังขารูปปารทานขันโธวิญญาณูปารทานขันโตเมื่อก่อนะยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ว่างมันก็ไม่ว่างดยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอะไรคือยึดมั่นถือมั่น เพื่มั่นถือมั่นในรูปในเวทานาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูเมื่อก่อนอันี้พอเกิดสติปัญญาเกิดวิจาขึ้นมาเพราะอาวิชามันดับก็เลยอุปาทานก็ดับไปด้วยอุปาทานดับไปอุปาทานดับไปก็เหลือแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นบริสุทธิ์ที่ขันที่นี้เมื่อก่อนไม่บริสุทธิ์ ขันนี้ไม่บริสุทธิ์เพราะมันประกอบด้วยอุปาทานทีนี้พอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาอุปาทานตัวนั้นอุปาทานตัวยึดมัน่นถือมันนั้นออกไปเสียพอเอาอุปาทานออกไปเสียเป็นอย่างไงขันนั้นก็เป็นขันที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ขันรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นขันที่บริสุทธิ์ นนี้เมื่อเราปฏิบัติไม่สามารถที่จะให้เกิดเห็นอริยสัจสีเรื่องเห็นเพียงรางๆแก่นั้นก็ความไอสติปัญญามันไม่พอไม่พอที่จะดับอวิชชาเมื่อไม่พอที่จะดับอวิชชาเพราะมันต้องใช้พลังในการดับคือเอา น, นั่นแหละมาดับดับราคะตัสามโมหะ แล้วอาวิชาก็ดับเรนี้พหลังไม่พอถ้าพาลังไม่พอก็เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นามรูปก่อนนามรูปก่อนรู้จักรูปรู้จักเวทานารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณรู้จักว่ารูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เข้าไปเกี่ยวกับอุปาทานนั่นก็เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกี่ยวกับอุปาทาน ข, นะขันท่างอานนั้นก็เป็นขันที่ไม่บริสุทธิ์เป็นขันที่ไม่บริสุทธิ์เพามันค้าไวายยึดมัน่นถือมั่นว่ารูปเป็นตัวกูของกูเวทนาก็าเป็นตัวกูของกูสัญญาจังขารวิญญาณเป็นตัวกูของกูนี่ทีนี้พอเราได้สติปัญญามาเมื่อได้สติปัญญามาเก็ดได้รูปเวทนาสัญญาจังขารวิญญาณสลัดอุปทานออกไปหมด จะหลัดออกอุ ป, อปทานออกไปหมดก็เป็นขันที่บริสุทธิ์ทีนี้ขันนี้ก็กลายเป็นขันบริสุทธิ์ไปแต่ว่าบริสุทธิ์ที่ขันไม่ประกอบด้วยอวิชชาแต่ว่าประกอบด้วยสติปัญญาขันห้าันนี้เราปฏิบัติเอาครึ่งทอดแต่ว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทครึ่งทอดครึ่งทอ่อดก็ปฏิบัติที่ตรงนี้แหละปฏิบัติที่นามรูปนี่แหละที่นามรูปเนี่ย ให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณที่มันประกอบด้วยอุปาทานกับที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทานนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงจะประกอบด้วยอุปาทานไปดูกระจกทีหนึ่งก็กูทุกทีดูทีหนึ่งก็กูทุกทีไม่เห็นไม่ใจกูเลยเห็นแต่เป็นกูทุกครั้งเลยดูแต่หน้าดูแต่จมูกดูแต่ปากดูแต่คิ้วดูแต่ผมดูแต่ศีสษะ ไม่ทะลุเลยจา้าดูไม่ทะลุจากผิวหนังลอกออกไปเป็นเนื้อเป็นเลือดจากผิวหนังเป็นเนื้อเป็นเลือดจากเนื้อจากเลือดเป็นเส้นเอน็นจากเป็นเส้นเอน็นเป็นกระดูกที่ศีรษะเป็นกระดูกเมื่อเป็นกระดูกแข็งแต่ข้างใ น, นมีสมองอยู่ย่ากว่า เยื่อน่ etzen. ยยื่อน่ยนี่มันเป็นสมองเป็นสมองทีนี้ไม่เที่ยงทางนั้นเลยใหย้ดูความไม่เที่ยงรูปไม่ cooler. เที่ยงเวทนาก็ไ <authorization> ม่เท mm. ี่ยงสัญญาไม่เที่ยงรังขานไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าพระองค์จะ ถามตอบกับกกับปัญจวัคคีนั่นแหละว่าพ่อคือทั้งหลายจะเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงรูปเที่ยงไม่เที่ยงทีนี้ปัญจวัคคีก็ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไอ้ที่ไม่เที่ยงเราต้องรู้ที่เราต้องเห็นไอ้ที่มันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไหลเลื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยรูปนี้มันก็ไหลเลื่อย จากเด็กก็จากเด็กที่อยู่ในคันก็ต้องคลอดออกมาคลอดออกมาเล้มก็ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยมันไหลเรื่อยคือมันก็แก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยไหลเรื่อยเนี่ดูก่อนพิกครืทั้งหลายรูปเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังพิเครืก็ตอบว่าเป็นอนิจจังพระเจ้าข้าก็คือไม่เที่ยงนั่นเองทีนี่รูปไม่เฉพาะแต่ร่างกายของเรา ทุกอย่างที่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่รูปทางนั้นเลยนี่ถ้าเรายังไม่เข้าใจรูปว่วาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็ดูที่ดู ท, ท, ทุกสิ่งทุกอย่าง ท, <ích S 2> ที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ถ้าเราเห็นอนิจจังอนัตตาที่ต้นไม้เราเห็นอนิจจังอนัตตาที่ดอกไม้เห็นอนิจจังอนัตตาที่สัตว์เลี้ยงเห็นอนิจจังอนัตตาที่ลูกที่หลานของเรา แล้วก็น้อมานิจจังนั่นข้ามหาจิตเราว่าจิตมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายหรือรูปนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนียมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนี่พระองค์จึงตรัสถามว่ารูปเที่ยงไม่เที่ยงพิกษุก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสัญญาเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า วิญญาณเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนี่ถามตอบกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะจี้เลยนี่จะจี้จี้จี้ลงไปรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาที่ครูก็ตอบว่าเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะทีนี้ไอ้กี้เราเข้าไปยึดถือนะ่ะเราคิดว่ามันเป็นอัตตานะคิดว่ามันเป็นอัตตารูปก็เป็นอัตตาเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยโง่ เราก็เห็นว่าเป็นอัตตาเห็นว่ามันเป็นตัวตนสัญญาความจําความมั่นหมายก็พระองค์ก็ถามว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาพิกูร์ก็ตอบว่าเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะคือไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนทีนี้พระองค์ก็จัดไปจนถึงวิญญาณถึงวิญญาณงนพระองค์เลยตัด บอกว่านี่ถ้าเธอจะเข้าไปยึดถือในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเป็นนามมันเป็นนามเรียกว่ามันมีแต่ชื่อนามะนี่แปลว่าชื่อเขาเรียกว่านามนามอันี้ถ้ามันเป็นนามจับต้องก็ไม่ได้เนื้อที่ก็ไม่สิน้นไม่เปลืองอะไรแต่เสร็จแล้วทั้งทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายง่ายเลยนี่พระ อ, องค์ก็เลยจัดว่าถ้าพวกเธอจะข้าไปยึดถือขันห้ายึดถือรูปจะยังดีกว่าเพราะรูปนี่มันจับต้องได้มันเปลืองเนื้อที่แล้วก็มันใช้เวลาคลอดออกมาจากท้องแม่และใช้เวลาแปดสิบปีเกาเก้าปีจนกว่ามันจะจบลงไปทีนี้ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 นี่เรียก ว, ว, วา่าเวทนาก็ว่างจากตัวตนข้าไปยึดถือไม่ได้เวทนานะข้าไปยึดถือไม่ได้มันว่างจากตัวตนทีนี้เราต้องเห็นว่าเพราะมันเกิดดับเองพอเห็นมันเกิดดับโอ้นี่มันว่างจากตัวตนนี่นี่ตาหากว่ามันมีตัวตนจันว่าจิตเนี่ยมีตัวตนถ้าจิตมีตัวตนจิตนี้จะต้องบังคับจะต้องบังคับกายไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีตัวตนมันปราดจากตัวตนมันมีตัวตนแต่ว่าไม่มีตัวตนงีนวังยากเองไหมมันซ้อนกันอยู่มีตัวตนแต่ว่ามันว่างจากตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาร ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันไม่เที่ยงเว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไหลไปเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยไหลไปสู่ความแก่ไหลไปสู่ความเจ็บไหลไปสู่ความตายมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเน่ยมันไหลไปเรื่อยทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ม, ม, มันเกิดเว็บเวบเว็บเวบเว็บเว็บขึ้นมาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, Takes, ดบด เราต้องไปยืดนี่เราต้องไปยืดเราพิจารณาเลยเรายืดรอยเวทนานี่ <lass consensus S 1> มันเป็นยังไงเวทนาที่อยู่ที่ปลายลิ้นที่มันอยู่ที่ปลายลิ้นเวลาเรากินอาหารเราจะยืดให้มันยาวออกไปมากกว่านี้ได้ไหมให้ความอร่อยอันนั้นความอร่อยที่มันอยู่ปลายลิ้นให้มันยาวกว่านี้ได้ไหมให้มันมากกว่านี้ได้ไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้ พอรู้สึกว่าอร่อยเพลบเดียวอับหายไปอีกแล้วนี่คือมันดับงั้นดับไม่ว่าที่ตาไม่ว่าที่หูจะมูกลิ้นกายใจเกิดเปลบเดียวดับแล้วเวทนาเกิดดับแล้วสัญญาความจําความมั่นหมายหรือสังเกตุนาน ค, คือในเครือของสัญญาทางนั้นสัญญาความจําความมั่นหมายเป็นยังไงอนิจจังอนัตตา เป็นสุญญตามันก็ว่างจากตัวตนเพราะมันเกิดดับสัญญานี้มันก็จะต้องเกิดดับทีนี้ถ้าเราคิดเรื่องอะไรจากเรื่องหนึ่งหรือว่าชื่อคนสักคนหนึ่งเราไม่ได้เรียกนานๆโอ้ต้องคิดมันต้องใช้เวลาถ้าเวลามันเหมือนกับว่าเราเอาหนังสือนี่วางบนโต๊ะวางบนโต๊ะกัซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกัน ต้องการหนังสือเล่มนั้นเน่ยมันอยู่ตรงไห น, น่ยแล้วก็คุยคุยคุยคุ ย, คยออกเล่มที่หนึ่งออกที่สองออกที่สามที่4ีที่5้าจนกระทั่งอานู้นมันอยู่ตรงโน้นมันอยู่ข้างล่างสุดนี่คือสัญญาเราะนั้นการจําชื่อคนก็ดีอะไรก็ดีเช่นคนชื่อว่าสว่างชื่อว่าสว่างจาไม่ได้ จำไม่ได้แล้วก็ออกไปพักจําไม่ได้แล้ทีนี้เราก็เปรียบเทียบดิเราก็อันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราเรียกตัวเออไอ้คนนั้นมันมันชื่อสว่างชื่อสว่างมันก็มันไม่มืดดิมันก็ไม่มืดดิถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดอย่างกลางวันอย่างนี้ทีนี้พอทีหลังก็ง่ายเราเรียกชื่อว่าไอ้คนสว่างคนสว่างคนระหว่าง เราก็จำ ง, ง่ายจำ ง, ง่ายทีนี้แค่่าเลขโทรศัพท์อย่างนี้เลขโทรศัพท์แปดศูนย์แปดนี่ไม่ใช่บอกเบอร์นะ086ก็086นย์ออกได้ ข, ข้างหลังอะไร7ก็แปดเมันเรียงกันทีนี้ไอ้นู้นมัน6แล้ว6แล้วมันก็7 7แล้วก็8 แปดอะไรอีกศูนศูย์ทีนี้ก็ทีหลังก็ศูนยศูนย์ศูนศูนย์ก็เจ็ดสองก้างหลังเนี่ยจะนั่นหน่อยทีนี้เราก็จําเรียงอยีกสัญญาณจำเรียงกันไปอะไรกันไปไอ้ว่าคนนี้ชื่อว่านายแดงเราจําได้ชื่อแดงชื่อแดงแต่คนเดี๋ยวนี้จํายากนะชื่อยาวเหลือเกินคนสมนัยนี้ชื่อยาว อยาวที่เพราะเพราะทางนั้นเลยเดี๋ยวนี้เพราะเพราะทางนั้นจํายากจํายากแต่อย่างกับคุณโจอย่างเนี้ยจําง่ายจำไม่จาง่ายโจเนี่ยจำไม่ยากอ้าวเข า, เาปลูกมะนาวหวานไว้ต้นหน่งในสวนน่ะสวนนั้นใครก้าวใครออกก็ได้ทีนี้พอมะนาวนั้นมันหวานนี่อมันออกรูปออกรูปมันโตขึ้นโตขึ้น เด็กมันชอบไปขโมยดิชอบไปขโมยเขาก็ใ่โจเลยทีนี้น่ะเห็นไหมใ่โจใ่โจตองหนังงัวหนังควายเนี่ยเขียนหลอกๆว่าถ้าใครไปเก็บมะนาวนี้กินเข้าไปพุงจะป่องเลยทีนี้เนี่ยนี่ชื่อโจเราก็จาได้อ๋อก็โจี่ก็โจ ด, โจดิเหลนไหนี่สัญญาต้องต้องเปรียบต้องต้อ ง, ต, องต้องมีตัวเปรียบทางนั้นเลยไม่อย่างนั้นจํายากมันจะจํายาก พระสัญญานี่มันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเรื่อยเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับเรื่อยสัญญามันก็เกิดดับเหมือนกันทีนี้เราก็คุยหามันเวลานั้นก็คุยหาเโทรศัพท์ไอเบอร์นี่มันอยู่ที่ตรงไหนแนละ้วอยู่ที่ตรงไหนเห็นว่ามันอยู่ในเครื่องก็ต้องค้นหามันอยู่ในสมุดก็ต้องค้นหาเนี่ยต้องค้นหามันเราต้องจําถ้าเราจําตัวเลขเราจําอะไร ก็ต้องเปรียบเทียบทั้งนั้นเลยเปรียบสัญญาความจําความมั่นหมายบางทีจะเรียกอะไระประเทศออสเตรเลีย อ, อสเตรแล้วก็นิวซีแลนด์บางทีจําไม่ได้นิวซีแลนด์ก็จําไม่ได้บอเออประเทศที่มันอยู่ข้างๆออสเตรเลียนั่นแหละเออ New Zealand, New Zealand, New Zealand, นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่มันก็จําได้นี่คือมันใกล้าคลึงกัน เอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งนี้แล้วมันก็จะจำได้ทีนี้ถ้าเราเรียนโรงเรียนหลายภาษาอย่างนี้นพูดเรื่องสัญญาถ้าโรงเรียนหลายภาษาภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ภาษาไทยว่าแดงพอภาษาอังกฤษเรอแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันก็เราจำสีแดงสิจำสีแดงเราก็เลย นี่ต้องเปรียบเทียบอีนี้ภาษาจีนอะไรอกีกภาษาเยอรมันอะไรอกีนกอ น, นั่นก็นี่เขาเอาภาษานั้นมาเปรียบเทียบกับภาษานี้ภาษานี้ไปเปรียบเทียบกับภาษานโนู้นมันก็เลยภาษาเดียวกันนะั้ลงท้ายทีุ่ดก็อันเดียวกัน น, ะนี่ภาษาเดียวกันทีนีไอภาษานะ่ะเป็นหนง ي, ังสือแด้ว่าถ้าจำเนียงจำเนียงจำเนียงเหมือนกันหมดจำเนียงประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนประเทศไทยประเทศไทยคนที่อยู่ในป่าอยู่ในดงจำเนียงเหมือนกันหมดเลียงแต่ว่าชั้น ช, นชนัยาวยาวนิดนิดหน่อยหนอยแค่นั้นเองเรียกว่าจำเนียงกลางจำเนียงใต้จำเนียงเหนือจำเนียงอีสานจำเนียงมันก็คล้ายคลึงกันหมดแต่ว่าไอ้ในด้านภาษานะ่ยด้านภาษามันแตกต่างกันไปภาษาหนังสือนี่ มันเป็นสิ่งสมมติทางนั้นเลยอีนี่สัมเนียงคล้ายๆกันแต่ของคนพวกเงาะนันก็สัมเนียงสัมเนียงเหมือนคนใต้เหมือนกันแต่มันพูดสั้นมากคนเงาะนี่พูดสั้นมากสั้นสั้ น, ส, นสั้นมากมันพูดตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยมันสั้นมากวังไม่รู้เรื่องมันเลยไม่รู้รภาษานี่เรื่องสัญญาเรียก ว, ว่าสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาความจำความมั่นหมาย ความจําความมั่นหมายจะต้องเปรียบเทียบเไม่อย่างนั้นพอมันดับแลว้วหามันไม่เจอเพอสัญญามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นสุญญต า, ามันก็ว่างจากตัวตนอยู่ดีนั่นแหละ น, นี่พอไปสังขารสังขานี่ตัวคิดตัวคิดปรุงก็เรียกว่าปรุงนั่งสมาธิอ้านาทีไปกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้เลยงั้นก็เรียกว่าสังขารสังขารสังขารมีแต่คิด เจ้าคิดทีนี้คิดเนี่ยได้คิดได้แต่คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เร่นว่าธรรมาราโมยินดีในธรรมออในธรรมะข้อไหนในเรื่องศรรีลเรียว่าในเรื่องทานในเรื่อในเรื่องการออกบวชเรียว่าในเรื่องของการละกิเลสนี่เรียกว่าคิดได้แต่คิดในมันเป็นประโยชน์ทีนี้ตาคิดเละเทะ้อ ไม่มีประโยชน์เลยนั่นก็เรียกว่าปรุงแต่งคิดเล อ, เอนะเทอะน่ยมันปรุงแต่งไม่ได้คิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญาเอออันนีจังนี่อะไรอันนี้จังโอ้มันไม่เที่ยงทําไมมันจึงไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงต้นกล้วยออกยอดออกยอดแล้วก็ออกเป็นใบเป็นใบตอนแรกก็นใบสวย เด็วก็ค่อเขียวเขียวสดเขียวสดเขียวสดอเอาเขียวพอแก่เริ่มที่จะเหลืองพอเหลืองสองสามวันแห้งลงแห้งลงแห้งลงออานั่นอานิจจังอานิจจังเอามาดูคนดิอ๋อเหมือนกันดูจิตดิเหมือนกันเราลงเหมือนกันหมดกลางนอกกับกลางในก็เหมือนกันหมดภายนนอกก็เหมือนกันวัตถุ ก็เหมือนกันต้นไม้ต้นลายก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันอานี่อนิจจังจิตก็เป็นอนิจจังต้นกล้วยก็เป็นอนิจจังยอดหญ้าก็เป็นอนิจจังอะไรอะไรก็เป็นอนิจจังหมดอนจจังหมดไม่เที่ยงนี่คือไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรมันไหลจากจุดนี้ไปตรวจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นไปตูจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้น ไหล type, ไปไหลไปไหลไปไหลไปนี่เรีย ah ah. กว er. ่าอนิจจังทีนี้เช่นว่าอย่างไอ้ผลไม้หรือว่าใบกล้วยอย่างนี้ใบกล้วยเราเรียกว่าใบตองอ่อนใบตองอ่อนมันสีเหลืองแล้วก็ออกเขียวเหลืองออกเขียวเราเรียกว่าใบตองอ่อนทีนี้เราต้องการว่าให้ใบตองอ่อนนี้แหละให้มันอยู่อย่างนี้แหละ มันอย่าอย่าเป็นอย่างอื่นเลยเป็นไม่ได้พอพวกนี้เขียวอีกแล้วเขียวอีกแล้วทีนี้เราก็เหมือนกันให้เป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้แหละให้เป็นสาวอยู่อย่างนี้แหละเป็นไปไม่ได้ไอยเลื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเื่อยฉะนั้นอย่าไปดีใจเลยพวกดาราผู้หญิงดาราผู้ชายอย่าไปดีใจว่าตัวเองสวยว่าตัวเองหล่อ ไม่กี่วันก็เป็นตาแก่ยายแก่เหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือแกนั้นเราอย่าไปเพ่งดูว่าเออตอนนี้มันสวยตอนนี้มันหลอ่อแล้วก็ดูตอนต่อไปที่ตั้งสองสามปีนี่เป็นยังไงหมดสภาพเลยห้าปีสิบปีหมดสภาพอเอามอยมาแทนอีกทีนี้เขาก็มีพวกแมวมองพวกแมวมองนั่นจุดจับจับพวกนี้พวกหนุ่มสาวเนี่ยจับ ไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดไปโรงเรียนสตรีไปดูว่าคนไหนที่หน้าตามันหลอ่อหลอหน้าตามันวสวยสวยดูท่าทางมันพอไปได้ก็เลยไปหลอกเลยทีนี้ไปหลอกเออนี่ไม่มีเงินใชน้ไปอยู่กรุงเทพดีกว่าไปทำอะไรกรุงเทพไปเดินแขวชั่นไปเดินแขวชั่นโอ้ไม่ต้องออกอะไรทางนั้นก็ อ, ออกเองทางนั้น ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจะเป็นกางเกงจะเป็นนาฬิกาจะเป็นาผู้หญิงก็เป็นกระเป๋าถือเป็นเสือ้อเป็นอะไรเนี่ยกระเปรงเนี่ยเรียบร้อยหมดไปเดินแชั่นพอเห็นว่าข้าวท่าน่อยให้เป็นอะไรทีเนี้ยนักแสดงพอเป็นนักแสดงต่อไปมันก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปนี่เห็นไหมมันใช่รายได้นี่มานากินอยู่ได้ไม่กี่ปีหรอก mm. ไม่กี่ปีมันก็ตกกระป๋องแล้ว เหตุไงนี่คืออานิจจังให้เราเห็นว่ามันเป็นอานิจจังอานิจจังอานิจจังอานิจจังนี่พวกนี้มันก็ยึดกันเลยไอ้เจ้าของไอ้เจ้าตัวเองน่ยมันก็ยึดหละไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากแก่นุ่มก็ไม่อยากแก่สาวก็ไม่อยากแก่ทีนี้ก็ปาดตัดกันใหญ่ฉีดกันใหญ่อะไรกันใหญ่ถามเงินไปเตื้อแต่ไม่มีทางที่จะชนะธรรมชาติได้หรอกก็ยังแก่อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละ ใส่จะเต็มเส้นก็ไปอะไรก็ไปก็ไม่มีทางไม่มีทางหรอกไปต่อใส่ไปใส่มาบวมเลยหน้าบวมเลยเห็นบวมเลยเห็นไหมนี่เรียกว่าอานิจจังทุกขังมันไม่เชื่อเราทุกขังเป็นอะไรทีนี้ไม่ใช่เป็นอัตตาแล้วเห็นว่าเป็นอนัตตานี่แหละมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตนนตา อนัตตาคือไม่ใช pues, no. ่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนก็คือไม่ใช่ตัวกูนีมันไม่ใช่ตัวกูที่ให้ภาวนาทุกวันเนี่ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไหนมันหยาบที่ตรงไหนไม่ใช่กูเพราะมันไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละคือมันไม่ใช่กูจะหมายโน้นก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนจะหมายนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นแหละคืออนัตตาไอ้นี้ อาจารย์บางคนก็คิดวเอาอะไรมาภาวนาเนี่ก็ อ, อนัตตาเนี่ยแหละเอามาภาวนานมันไม่ใจกูก็คือไม่ใจตัวตนนั่นแหละถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสบายทีนี่ต่อไปก็จะเห็นโอน้นี่มันไม่ใช่ตัวตนมันว่างจากตัวตนนี่มันไม่มีตัวตนมันมีตัวตนแต่มันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนมันไม่ใจกูแล้วเนี่ยไม่ใจกูเพราไม่ใจกูก็เห็นว่าง เห็นว่างจากอะไรว่างจากตัวกูทุกอย่างว่างจากตัวกูหมดที่นี่เป็นทุญญตาแล้วนี่เรียนลัดเลยหลวงพ่ อ, อเรียนรัดเลย<ม>เห็นไหมไม่มีใครก็สอนกันอย่างนี้ไม่มีใครก็สอนสอนว่าอย่างนี้ทีนี้คนไม่มีใครฆ้านนี่ตั้งแต่สอนมายังไม่มีใครค้านเลยฆ่าไปที่อยากฆ่าก็ฆ้าไปที่ไอ้คนฆ้านเองก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน นี่มันไม่ใจกูนี่แหละคือไม่ใจกูอัตตาไม่ใจอัตตาทีนี้พอนั่งภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไอ้กิเลสตัวกูนั่นแหละที่ข้าไปยึดถือนอนนมไปแล้วไม่ใจกูแล้วใครอดียที่มันนั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็บอกมาที่ก็ไม่ใจกูเลยที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใจกูดิถ้ากูแล้วไอ้ที่นั่งอยู่นี้มันต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องไม่ไหลไปเรื่อย มันต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องไม่แก่มันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ตายแต่นี่มันเปลี่ยนแปลงอวัยวะทุกส่วนเปลี่ยนแปลงหมดเนื้อหนังเปลี่ยนแปลงหมดทุกชิ้นทุกอันเปลี่ยนแปลงหมดงอเป็นอันิจจังจากอันิจจังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราคิดว่าทุกขังแต่ไม่ใช่แล้วเป็นทุกขังเลยกลายเป็นทุกขังแล้วเพราะขา้าไปยึดมั่นถือมัน่นอดูต่อไป คิดว่าเป็นอัตตาเอา้อาอานัตตาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตรถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตารูปทั้งรูปตัวเราเองทั้งรูปคนอื่นทั้งรูปสิ่งอื่นรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนานัตตาเอ็นี้ภิกษุเหล่านั้นก็เข้าใจก็เข้าใจก็ตอบว่าเป็นอานัตตาพระเจ้าข้าถ้ารู้เรื่องอนัตตาเลยก็ ตกลงตกลงใช้ได้ใช้ได้ต่อไปก็จะเห็นสุญญตาทีนี้ถ้าเห็นอนัตตาแลยก็จะเห็นสุญญตาทีนี้เราจะเห็นสุญญตาทีเดียวมันเห็นไม่ได้มันต้องเห็นมาตั้งแต่ต้นมันนู่นแหละต้องเห็นอนิจจังนู่นแหละต้องเห็นทุกขังนั่นแหละแคก็เห็นอนัตตาเห็นอนัตตาพอเห็นอนัตตาเลยก็เห็นสุญญตาเห็นสุญญตาเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนหมด ทุกอย่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนอย่าพูด eh ลัด hey, ลัดถ้าเราเข้าใจว่าว่างเข้าใจว่าว่างเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจว่างคือว่างจากตัวตนแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ภาวนาว่างไว้ทีเพราะเราเข้าใจแล้วแต่คนที่ไม่เข้าใจอวดดีอวดดีว่าพอพูดเราว่างเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ามันไม่มีว่างไม่มีอันนั้นมันพาษาคน ภาษาคนทีนี้ภาษาคนว่าว่างในวิหารเนี่ยว่างไม่มีคนนั่นไม่มีคนก็คือว่างนี่ถ้าภาษาธรรมนั่งกันอยู่เต็มศาลาเนี่ยแใจว่าว่างว่างเหมือนกันว่างจากอะไรว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือว่างจากอัตตาเป็นอนัตตา ว่างจากอัตาเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นสุญญตาทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนทางนั้นถ้าไม่เชื่อสอนผมออกมาจักเส้นหนึ่งออกมาพิจารณาเคสาเกสาเกสาเกสาเกสาเกสานั่งทองทอเกสาเกสาเกสาเกสาเกสาเกสาเกสาผมเกสา เกศเกศเกศคิดขึ้นมาเลยอะไรเกศออผมมันเป็นยังไงเนี่ยอนิดจังเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนแปลงจากผมดําก็เป็นผมงอกเป็นผมขาวเออมันเปลี่ยนแปลงเกรจแล้วมันก็ยาวขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันเปลี่ยนแปลงอ่าเพมันเปลี่ยนแปลงไงอ๋อ แสดงว่ามันไม่มีตัวตนน่ะดิผมเนี่ยถ้ามันมีตัวตนเราบอกว่าไอ้ดำอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนนี่เขาให้เห็นเส้นผมก่อนเห็นเส้นผมพอเห็นเส้นผมแต่แล้วก็ดูจิตดูจิตทีนี้ดูจิตพ็ภาวนาจิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างเิ้่จิตว่างอะ เพาจิตที่ไม่มีตัวตนน่ะจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวตนแต่ว่างจากตัวตนแต่จิตนี่ว่างจากตัวตนเอาราคะมันจะไปจับที่ตรงไหนแต่จิตมันว่างจากตัวตนน่ะราคะไปจับก็ไม่มีที่จับโทษาไปจับก็ไม่มีที่จับโมหะไปจับก็ไม่มีที่จับเพราะมันว่างจากตัวตนทีนี้ไอ้กิเลสเองมันก็ว่างจากตัวตนเหมือนกัน จิตเองก็ว่างจากตัวตนเหมือนกันใครไปจับใครทีเนี้ยมันว่างจากตัวตนหมดไม่มีอะไรมีตัวตนทั้งนั้นเลยทั้งกิเลสเนี่ยคือทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ว่างจากตัวตนทั้งนั้นเลยแต่เราอย่าไปเกลียดว่ากิเลสถ้าไม่มีกิเลสถ้าเร า, เราจะเราจะมาปฏิบัติทําไมดังนั้นกิเลสมันก็มีบุญคุณกับเราเพราะว่ามันต้องมีเรียกว่าต้อง เราจะต้องเปรียบเทียบไปเห็นถ้าอย่างนี้เป็นอกุศลถ้าอย่างนี้เป็นกุศลมันมีอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้รู้สองอย่างก็รู้สองอย่างต่อไปก็เป็นอย่างเดียวก็เป็นอย่างเดียวต่อไปหายหมดทั้งสองอย่างไม่มีอะไรเหลือว่างมันว่างกิเลสมันก็ว่างตัวกูตัวกูว่างอานัตตาว่างมันก็ว่างคือไม่ใช่กู มันก็ว่างมันก็เลยว่างกันไปหมดว่างกันไปหมดนี่คือว่างที่เราจะต้องเข้าใจทีนี้ถ้าเราไปเกลียดกิเลสมันคือเราต้องรู้มันไม่ใช่เราเกลียดเรารู้แล้วเราก็ไม่เอามันทีนี้ไปล่ๆมามาจิตเองเราก็ไม่เอาเหมือนกันทีนี้ง้อไม่เอาเหมือนกันถ้านียปัญญาเราก็ไม่เอาเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติถ้าเอามาเป็นตัวกูของกูอีก เอาสติปัญญามาเป็นตัวกูของกูอีกหนักอีกงี้ขึ้นมาอีกจันั้นมีไว้ใช้มีไว้ใช้งานมีไว้จำรหรับที่อยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมั่นในเรื่องของรูปเมื่อเอาสติปัญญามาใช้ในเรื่องของรูปมันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันในเรื่องของเวทนาก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันในเรื่องของสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวรู้ ก็ไม่กล่าวยึดมั่นถือมั่นมันไม่กล่าวไปยึดมั่นถือมั่นมั่นทางนั้นเลยนี่เรียกว่ามันจึงว่างถ้าอย่างนั้นคือมันว่างเมื่อมันว่างเลยมีอะไรอีกล่ะมันก็สงบสิถ้าว่างมันก็สงบสิถ้ามันไม่ว่างมันก็ไม่สงบก็นั่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งกินก็ปรุงแต่งอาบขายปรุงแต่งหมด จิตนี่ยมันจะปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นคือจิตไม่ว่างแต่ถ้าจิตว่างอะไรเข้ามาว่างอะไรเข้าม <Phillip> า pues ว่างเอาตัวว่างนี้ไปดับหมดเพราะอะไรเพรสิ่งที่เข้ามาอนิจจังอนัตตารุญญตาว่างจากตัวตนจิตเองเพราอนิจจังอนัตตารุญญตาว่างจากตัวตนสิ่งที่เข้ามาหาจิตก็ว่างจากตัวตนหรือตัวจิตก็ว่างจากตัวตน นั่นเปอะไรทีนีนี่แหละคือสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมะทั้งหมดทั้งเป็นกุศลทั้งเป็นอกุศลทั้งเป็นทำดำทำขาวเนี่ยสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนทีนี้ถ้าพูดตามภาษาที่เราภาวนาว่า สิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถึงมัน่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูจิตก็ไม่ใช่ตัวกูของกูร่างกายก็ไม่ใช่ใตัวกูของกูเนื้อหนังก็ไม่ใช่ตัวกูของกูเพราะไอ้ทั้งหมดนี้มันเป็นอนิจจังถ้ากล้าไปยึดมั่นถึงมันมันเป็นทุกขงังเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนไง ต้องเห็นอย่างนั้นนี่ต้องเห็นมันอย่างนั้นเพราะฉะ น, นั้นยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ใช่ว่าเออละกิลเลสแต่แล้วพอมายึดมั่นถือมั่นทําที่เป็นกุศลอีกเอาไปยึดมั่นถือมั่นอีกกลับไปยึดมั่นถือมั่นในกวายดีดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นชั่วเราปล่อยวางมาทําดีทําดีเสร็จแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่เอาอีก ก็คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นทีนี้เราคิดดูถ้าเราใส่ก้อนหินจะกระสอบหนึ่งเอามาทูลเ่าว้หนักไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรก้อนหินนี่ทิ้งไปเลยเอาเอาทองมาใส่กระสอบเอามาทูลขึ้นอีกเอา้ามันก็หนักเหมือนกันอีกตกลงนี่เลยไม่เอาทองก็หนักนักเอา้เอาเอาเอาเพชรดีกว่าเพชรมีราคามากกว่า เอาเพชรมาทักกระรอบหนึ่งใจแลว้วก็ทูลขหนักอีกนี่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็หนักทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะอะไรของมีค่าหรือไม่มีค่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่เลยคือหัวใจหัวใจหัวใจของพระพุทธศาสนาสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งปวงอันใคร่ใ่ไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นหรือมั่นว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องพ่อเลยจัดการทำชุ้มประตูชุ้มประตูที่เราข้าวันนั้นที่เราเดินที่ก่อนที่จะขึ้นมาบนวัดนี้แหละมีชุ่มประตูมีพระพุทธรูปคิดกันหลายวันทำยังไงจะทำพระพุทธรูปว่าง ทำยังไงพระพุทธรูปนี้ตันท้งนั้นเลยตันทางนั้นอยากจะทําไม้ว่างทํำยังไงก็คิดอยู่อย่างนั้นเป็นการบ้านเดินบินตบาตก็คิดก็คิดคิดอย่างนั้ น, น, น, น, นคิดคิดวันหนึ่งไปบินตบาตแล้วก็เห็นเกบ้านนั้นบ้านช่างบ้านช่างเขาเเป็นช่างสร้างโบสถ์ช่างโบสถ์ ท, ที่นี่เขาตัด ไอ้ไม้ไไไกระดานอ่ะไม้ไม้อัดไม้อัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นทีนี้เป็นรูปของพระพุทธรูปพอเป็นรูปของพระพุทธรูปของพ่อไว้เดินบินบินตบาตเมื่อก่อนเดินนี่าเห็นทีนี้พอเห็นอ๋อนี่ยทาอย่างนี้เองทําอย่างนี้เองพอเห็นว่าเออต้องทําโครงให้เป็นพระพุทธรูปไอ้คนเดินข้าวเดินออกทางนั้น่ะขึ้นมาบนนี้ ก็ต้องผ่านพระพุทธรูปลงไปก็ต้องผ่านพระพุทธรูปนั่นคือพระพุทธรูปอะไรพระพุทธรูปชน ญ, ญาตาไม่รู้ใครเข้าใจมั่งก็ททำไปตามภาษาที่มันอยากจะทำมันแหละนั่นแหละคือพระพุทธรูปชนญาตาพระพุทธรูปว่างพระพุทธรูปว่างเอายังไม่พออีกแค่นั้นยังไม่พออีกไปเขียนมาอีกโน้นไปจ้างคนที่กรุงเทพเขียนเป็นตัวหนังสือ ติอยู่ที่ติดอยู่ที่ท้งประตูนั่นแหละจับเพธธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็อ่านว่าอย่างไรจับเพธธรร ม, มานาลังอ ภ, อ, อภินิเวสายมันไม่มีนะ อ, อภินิเวสายมันไม่มีก็อ่านว่าจับเพธธรรมนาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงอันใครใไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถึงมัน่น ว่ามันเป็นตัวตนว่ามันเป็นของตนหรือเราพูดกับตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูต้องโง้ถึงกระดูกดำของกิเลสอย่างนั้นต้องเอ่อย่างนั้นในถึงกระดูกดำมันเลยนี่เป็นการประชดเป็นการด่ากิเลสว่ามันไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูอย่าไปเอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูเลยมันเป็นทุกเนี่ยมันเป็นทุกนั่นแหละคาถาที่มี พระรามคนหนึ่งไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสนี่มันมากมายเหลือเกินไม่รู้จะปฏิบัติที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเลยตรัสคำนี้แต่ว่าจับเพธรรมานาลังบินิเวศยะสิ่งทั้งปวงอันไกลๆไม่ควรข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะมันเป็นอนิจจังก้าไปยึดมั่นถือมันมันเป็นทุกขังจะยึดหรือไม่ยึด มันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวกูถ้าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาล้วก็จะเห็นสุญญตาว่างทีนี้ว่างจากตัวกูเราจะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างว่างจากตัวมันเองทางนั้นเลยแต่แบบเราเนี่ดูที่จิตโอ้จิตนี้มันก็ไม่ใช่กูร่างกายนี้มันก็ไหลเรื่อยส่วนจิตมันก็เกิดดับเกิดดับเกิด ด, ด, ดับตามภาษาของมันแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน มันคิดเรื่องอะไรก็ไม่กล้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันรู้เรื่องอะไรก็ไม่กล้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่กล้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันทางนั้นอนี้เมื่อเรายัางไม่รู้ถึงจุดนี้ก็รู้ไปก่อ น, ร, ออนรร้อ้อนี่ธรรมะข้อนี้มีไว้สาหรับปราบอ า, อากุชนธรรมข้อนั้นเช่นว่าอะไรปาหานะปาหานารโมมีหน้าที่ในการละยินดีในการละ ละอะไรบ้างก็เราละก็คืออยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนั่นนี่คือละระละราคะละโทสะละโมหะก็คือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นน่ะเดีเรียกอีกคำหนึ่งเราเรียกว่าละเรียกวัาละก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นทางนั้นเลยภาษาที่มันเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเราถนัดอันไหนก็อันนั้นละก็ได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้ ไม่ใช่กูก็ได้ไม่ใช่ตัวตนก็ได้ทีนี้เรามันชำนาญว่าไม่ใช่กูมันถึงกระดูกมากกว่าถ้าไม่ใช่ตัวตนมันยังอารม่มอาลวยกันมันยังเป็นสากลไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูจิตไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูทีนี้ไอ้เนื้อหนังร่างกายก็ไม่ใช่ตัวกู ไ, ไม่ใช่ของกูอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูทางนั้นเลยถ้าไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูแล้วหามาทาไม ให้ร่างกายมันใช้ให้ร่างกายมันกินให้มันนอนให้มันอยู่ให้มันนุ่งห่มให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยเหลือมันแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องตายวันยังค่าทีนี้ถ้ามันไม่ถึงเวลาตายก็ไปรักษามันทีนี้มันก็ต้องกินทุกวันทุกวันทุกวันต้องใช้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจึงต้องหาทีนี้บางทีก็หาเลยเถิดไป หาเลยเถิดไปจนมากอือนี่ได้ล้านนึงแล้วได้จาก2ล้านต่อสองล้านเหลือล้านสามล้านเลือก็10ล้านสิบล้านก็บยสิบล้านยี่ส้านไอ้ได้จากร้อยล้านบ้าแลว้วนั่นบ้าแลว้วอย่างนั้นเนี่ยนั่นน่ยคือยึดมั่นถือมั่นแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้อี่ถ้ามากอ๋อมากก็ได้ไม่เป็นไรก็มีปัญญาในการหาก็ามีปัญญาในการหาทํำยังไงทีนี้เฉลีย่ยแล้วเฉลีย่ยแล้วเออดูไม่แช่ว่าโอ้โน่น ไปกินข no ้าวที่สิงคโปร์โน่นข้าวเที่ยงอโยมก็บอกว่ามีเศรษฐีบางคนไปกินข้าวเที่ยงขึ้นเครื่องบินไปกินอาหารเที่ยงที่สิงคโปร์โน่นมันบ้าแล้วอย่างนั้นมันบ้าแล้วทีนี้ทำไมไม่มองมันต่ำต่ำบ้างบอโอ้เด็กที่มันลําบากที่มันยากจนหรือว่าตอนนี้น้ําท่วมจะทํำยังไงจะช่วยเขายังไงอะไรยังไงทําไมไม่มอง มองสูงเกินไปเสร็จแล้วก็มีแต่ตัวกูของกูนี่มีแต่ตัวกูของกูอย่างนี้แหละมันจึงเกิดเป็นคอมมอนิสต์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพราะคนเห็นแก่ตัวทีนี้ถ้าคนไม่เห็นแก่ตัวเศรษฐีต่างๆในกรุงเทพนี่มีกี่คนเสร็จแล้วก็มีจิตสำนึกมองไปชั้นล่างเห็นคนยากเห็นคนจน ในประเทศไทยนี้คนก็ใหม่มากใหม่หมาหกสิกว่าล้านอย่างนี้ทีนี้เฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยไอ้ที่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือที่จ้างวานก็จ้างวานกันไปไอ้ที่ลําบากยากจนมันไปเรียนหมอมันไปเรียนแพทย์มันไปเรียนอะไรเอาให้ทุนการศึกษามันต้องมีข้อบังคับว่านี้เรียนจบแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเออไม่ใช่ว่าไปขูดเลียดเขาอะไรเขา ไม่ใช่วะ เ, เ, เรียนแพทย์รายได้ดีพอจบมาแล้วเป็นอะไรฉันอยากจะมีตึกฉันอยากจะมีรถเบนซ์ฉันอยากจะมีเมียสวยๆฉันอยากจะมีเงินใช้คุ้มเฟื่อยผิดวัตถุประสงค์แล้วอย่างนั้นก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วแม้แต่คิดก็ผิดแล้วยังไม่ได้ทําเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนแพทย์ต้องคิด่เราเรียนแพทย์เพื่ออะไร เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นมันเริ่มที่เนี่ยอย่างนี้มันเริ่มแล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ้าวเราเรียนจบแล้วจำงานมีคลินิกอ้าวคนนี้ไม่มีเงินเออเอาไปเถอะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเถอะอ้าวไม่มีเงินกลับบ้านแถมให้ไปอีกอ้าวค่ายาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอานี่ทอย่างนี้ทีนี้คนนี้ก็มีความจำนึกมีความเออก็ไปปลูกทัว เกาไปปลูกแตงเอาไปเลี้ยงไก่อืมอะเอาไก่ไก่ไปให้หมอหน่อยเถอะเอะอนี่ทั่วนี่กล้วยเฮี้ยวกล้วยจักหวี่สองวีเอาไปให้หมอหน่อยเถอะอ๋อนี่ทำนาได้ข้าวสารมาใหม่ใหมข้าวสารใหม่มันหวงและมันหอมดีเออเอาไปให้หมอหน่อยเถอะนี่จะเป็นอะไรตายอย่างนี้ตาเอื้อครัวกันอยู่อย่างนี้รับรองไม่ต้องคุ่มเฟือย มันแลกเปลี่ยนกันอยากคิดว่าคนจนแล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรมียังมีนี่ที่หลวงพ่อให้นี่นะหลวงพ่อให้ผู้สูงอายุนี่สามสิบคนเลือกคนที่อยากจนสุดๆมาเลยเสร็จ แ, แล้วมียายคนหนึ่งเอแม่กุ้งมาสี่ตัวสองครั้งแล้วรอโยมอยากชื่อมาเลยแม่กุ้งเนะ่มันแพงหลวงพ่อไม่ต้องฉันก็ได้ฉันมาเยอะแล้วแม่กุ้งก็ เงินได้เงินไปสามรอยไปซื้อแม่กุ้งมาล้อยกว่าแล้วหมดเลยทิ้งอย่างนั้นหมดเลยไม่ได้เอาไม่ต้องเอาอะไรมากเลยถ้าคิดถึงหลวงพ่อเก็บยอดชะโตอยอดกระถิ่นข้างๆรั้วบ้านนั้นเอามาขวากหลวงพ่อแค่นั้นพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปซื้อแม่กุ้งมาถวายหรอกนี่บอกไอ้อย่างนั้นนี่เห็นไหมอา้าวบางคนก็ทําตะลามะทำตะละแมะกวนตละลาม รับจ้างก็ไม่ใช่เป็นเต่าแก่เองรับจ้างก็จ้างเป็นกะทะกะทะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วก็ออตะละเมมาก็าก็ได้นี่อย่างนั้นใครมีอะไรก็เอามามาหน้นี่ยเรียก ว, ว่าน้ําใจน้ําใจของคนไทยของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้เช่นว่าวันศาสตร์วันศาสตร์เดือนสิบวันศาสตร์ก็จะทําขนมจ่อหูก็จะทําขนมลาก็จะทําขนมพองเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้ว ไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำโน่นทำอยู่ที่ตลาดต้องไปซื้อที่ตลาดทีนี้เมื่อก่อนทุกบ้านทำทุกบ้านทำอย่างนี้ทางนั้นทำขนมลาขนมพองขนมเจาะหูขนมนั่นขนมเทียนขนมอะไรทำทำเสร็จแล้วทำยังไงใส่หม้อของพ่อเองก็ต้องเดินเอาเอาไปให้ยายเอาไปให้ยา่าเอาไปให้คนแก่บ้านนั้นบ้านนี้บ้านโน้น เอาไปแจอ ก, กันเมื่อก่อนนี่เห็นไหมเมื่อก่อนมีน้ําใจกันอย่างนี้เขามีน้ําใจกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปชื่อตลาดหมดตัวใครตัวมันอย่างนี้ก็เลยหมดวัฒนธรรมนี่ก็หายไปหมดเดี๋ย น, นี้นี่ดังนั้นหมอแพทย์ก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันเนี่ยถ้าคิดจะรวยตัวเดียวกูทางนั้นเนี่ยคือคิดกับกูทางนั้นไม่ได้คิดกับสติปัญญาเลย หลวงพ่ออยู่กับใครตอนนี้อยู่กับพระพุทธเจ้าตอนนี้นี่ที่พูดอยู่ไม่ใช่ของหลวงพ่อของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาก็รู้มาเป็นยังไงทีเนี้ยหลวงพ่อก็เลยต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้ก็รู้มารู้มาแล้วก็แจกแจกแจกจกแจกนี่ที่มาพูดธรรมะนี่มาแจกมาแจกธรรมะนู่นแจกกรุงเทพแจกเชียงหม่แจกที่ไหนแจกที่ไหน แจกทุกที่ก็ให้เงินมาทุกครั้งเลยนี่กจะเอาไปไหนทีนี้เงินเนี่ยเอาไว้ค่าน้ําค่าคุยพอสมควรให้คนนั้นให้คนนี้ให้เด็กมาเยี่ยมก็ทีละพันครึ่งพันมันมาจากกรุงเทพแล้วก็ให้ไปทีนี้ให้ทุนกนารศึกษานี่ไม่รู้กี่ปีแล้วลืมไปแล้วปีที่แล้วก็ให้มากปีนี้ก็แสนห้าแสนห้าก็ไม่พออีกมาขอเพิ่มขอ เ, มมเอาไปเอาไปเอาไ ป, าไปมารับเลยมาเอาไปเอาไป อยู่กับพระพุทธเจ้ากินกับพระพุทธเจ้าเจ้านี่แอบหม่ยพอเอาธรรมะมาให้โยมที่สี่ครึ่งี่หครึ่งไปแล้วไปแล้ ว, ไ ป, ลวไปเอาแล้วแล้วใครพระพุทธเจ้าทำนาไว้ให้แล้วไปถึงก็เก็บเกี่ยวนั่งในรถซาเลงก็ยื่นบาตใได้โยมโยมก็ช่ช่อยชอยชอยช่ยกันนี่พระพุทธเจ้าเลี้ยงอาหารการกินพระพุทธเจ้าเลี้ยง ที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าปูเอาไว้ให้แล้วทีนี้อะไรระบงกีวรพระพุทธเจ้าทางนั้นเลยพระพุทธเจ้าทางนั้นเจ็บไายได้ป่วยอต่างกรุงเทพเห็นไหมโรงพยาบาลนะครธนน่นเป็นเจ้าภาพแล้วตอนนี้ไปทุกทีป อ, อ, อก็เอารถนั่นเนี่เอารถเข็นมาถึงก็รับจากรถที่หลวงพ่อไปเลยก็เข็นหน้าบานเลยทีนี่ เห็นหน้าบานเลยไม่อายใครเลยโอบออกเข็นเองเลยไหนโอบอ้อมพัตตะลุงเป็นอย่างไงขนาดเอาเครื่องไปให้ตั้งหกแสงกว่ามันยังไม่ออกมารับเลยขนาดไหนมันขนาดไหนนี่แหละทีนี้ก่อวันก่อนเอาไปทําพิธีเปิดที่หน้าวัดกุหัสวรรค์ณเอาไปทำพิธีเปิดนายกเทศมนตรีก็กดมีมลหลวงพ่อไปไปเป็นประธาน พอไปเป็นประธานก็เป็นนั่งออรีนั่งที่โตรับแขกพาถามว่าแล้วโยมมาจากไหนมาจากกรุงเทพเพื่อเป่าว่ า, า, าไม่ใช่ผมเป็นพ่วงร้วยการอยู่ที่โรงพยาบาลพัตลุงนี่หลยบอกโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ ว, ล ว, ลวตรงตัวแล้วหอนี่หลวงพ่อนะถาวายเครื่องไปหนึ่งเครื่องให้เครื่องไปหนึ่งเครื่องเมื่อปีที่แล้วอ่ราคาหกแสนกว่า แต่แต่แล้วนี่หลวงพ่อยังเสียใจอยู่รู้ไหมว่าเสียใจเพราะอะไรผู้วันเมื่การไม่ออกไม่เห็นหน้าเลยเห็น แ, แล้วก็ยังแถมใจย่างอื่นอีกบอกว่านี่ปีนี้นะหลวงพ่ออายอีกเครื่องหนึ่งผู้วันเมการต้องมารับเองนะมารับที่หน้าวัดหลวงพ่อเตรียมมาด้วยพูดขอบคุณหลวงพ่อด้วยนี่บังคับเลยปีนี้บังคับเลยบังคับอย่างนั้นเลย เอาเลยรับปากรับคำไปโดนก็พอดีเลยนี่แหละอย่างนี้ทีนี้อาแต่ผลประโยชน์ตัวกูตัวกูตัว ก, ตวกูตัวกูของกูตัวกูของกูทั้งนั้นเลยนี่หลวงพ่อนี่อยู่กับพระพุทธเจ้ากินกับพระพุทธเจ้าหายใจกับพระพุทธเจ้านี่ถ้าใครหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างหรือ ว, ว่าไม่ใจกูเราเริ่มที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้ว แก้วต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลี้ยงเราเลี้ยงเราเองถึงเราจะอยู่บ้านเราทำมาหากินแต่จิตใจของเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์จิตใจของเรามีความสงบเย็นมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โอ้ยมีแต่จิตที่มันสงบเย็นสงบเย็นมันคิดที่จะให้จะให้จใ ห, ให้แล้วมันเป็นยังไงสบายเขาสบายใจ เราก็สบายใจทีนี้ให้ก็ต้องพอดีพอดีอีกแล้วให้ก็ต้องดูดูคนที่เราให้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่ไม่อย่างนั้นมันก็จะมาต้มเราอีกเดีย๋ยวต้องสืบสวนอะไรให้มันดีๆทางนั้นเลยอ น, นั่นหลวงพ่อนี่ตอนนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากินอยู่กับพ่อเนื้อหนังอะไรก็ของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาเป็นของตัวเองแล้ว ถ้าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญาตาพระพุทธเจ้ากระทมพระอลยะสงฆ์เข้ามาอยู่ในจิตใจของผู้นั้นแล้วเห็นไหแค่นั้นเรื่องของขันหน้าเนี่ยมันจะยาวไปยาวออกไปยาวออกไปเราเลี้ยงเขาในด้านจิตใจทาไมเขาหมดความทุกข์ ก็ปฏิบัติแล้วความทุกข์ของเขาเค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปเบาบางลงไปพอเบาบางลงไ ป, งงงไปเขาก็เห็นคุณเนี่ีนี้เห็นผลเห็นผลโอ้นี่ธรรมะนี่ธรรมะนี่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยทำให้จิตมันเบาลงไปก็คือเบาจากความยึดมั่นถือมันอ่นนั่นแหละก็เลยไม่ยากเห็นไหมก็เลยไม่ยากถ้าเราให้เขารู้ธรรมะเขาก็รู้ธรรมะขึ้นมาแล้ว เราก็ไม่ใช่นักตักตวงไม่ใช่นักถือเอาผลประโยชน์ไม่ได้เอาขาดเจ้าไหไรก็ว่ากันไปสร้างอะไรก็ว่ากันไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเท็จอยู่อย่างนี้เท็อยู่อย่างนี้นก็เลยทำทาทำทำท ำ, ท ำ, ทำอของเพื่อนก็ทำเป็นร้อยล้านพันล้านเราทำจากล้านเราก็พอใจแล้วอพอใจแล้วนี่มันเรื่องวัตถุทีนี้ในเรื่องของ ธรรมะนี่ในเรื่องของธรรมะทำยังไงขอหมดทุกเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นทำยังไงชีวิตที่มันเหลือของหลวงพ่อช่วยเหลือคนอื่นให้ความทุกข์ของเขาเบาบางเบาบางเบาบางลงไปให้ความทุกข์เขาเบาบางลงไปเรากบพอใจแล้วพอใจแล้วแค่นั้นไม่เสียชาติเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเราจะได้ช่วยคนอื่นเขา จะทำหนังสือจะทำแผ่นซีดีอะไรออกเว็บไซต์อะไรนี่คนก็เข้าไปทีนี้ไม่ใช่คนมันโง่หมดคนฉลาดมันก็มีทีนี้คนฉลาดเห็นเขาเออนี่ดีดีดีดใจได้ใจได้พอเห็นแล้วมันก็เว็บเข้าไปก็ศรัทธาขึ้นมาทันทีให้ใจศรัทธาหลวงพอ่อศรัทธาธรรมะนี่ให้ศรัทธาธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาธรรมะ ก็โยงไปถึงพระพุทธโยงไปถึงพระธรรมโยงไปถึงพระสงฆ์นี่คือเพราะในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ธรรมะมาจากนั้นดังนั้นเราต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีๆทีนี้ในเรื่องของนามรูปนามรูปก็คืออยากเข้าไปยึดมัน่นถือมันอย่าให้มีอุปาทานถ้ามันไม่มีอุปาทานตัณหามันก็ไม่มี เวทนามันก็ไม่มีปัจจามันก็ดับอะไรมันก็ดับมันก็ดับหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรคือเส็จแล้วมันก็ว่างว่างว่างวงวางมันว่างว่างหมดต่อไปก็ชํานานจานานในเรื่องของความว่างเลยเลยอยู่กับความว่างเลยก็อยู่กับความว่างนานไปนานไปนานไปเงี้สงบดีกว่าแต่ว่างแล้วมันสงบที่ว่างแล้วมันสงบไม่ต้องไปตอเยกับมันอ่าไม่ยึดมั่นถือมันอะไร พอ yes, ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ว่างพอว่างเสร็จแล้วอยู่กับว่างว่างว่างว่างว่างวว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสจะว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะพอว่างเสร็จแล้วไม่มีมันก็สงบสิทีนี้มันก็สงบสิทีนี้เราดูแต่ว่าอ hmm. ่างคําว่านิโรดนิโรดก็ดับราคะดับโทสะดับโมหะพอดับราคะโทสะดับโมหะอวิชชาดับพออวิชชาดับ วิจานั้นก็ว่างเป็นวิชาคือว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสแล้ว Daniel. เพราะว่างจากกิเลสมีสติปัญญาปรากฏขึ้นมาก็จอสติปัญญาปรากฏขึ้นมาจัดบุคคลตัวตนเราเขาหายหมดหายหมดในแตสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนเห็นไหมเนี่ยคือมันว่างจากตัวตนพอมันว่างจากตัวตนจนชินต่ อ, อไปว่างๆส ง, งบเย็น สงบเย็นสงบเย็นนอนก็สงบเย็นนั่งก็สงบเย็นเดินก็สงบเย็นจิตนั้นสงบเย็นจึงว่าไอ้ความสงบเย็นเนี่ยคือพระนิพพานเราก็เจอเกือบทุกวันเนี่ยขึ้นไปบนเขาก็เจอไปที่ไหนก็เจอที่ที่มันถ้าที่ไหนสงบเย็นเนี่ยที่นั้นมีนิพพานถ้าที่ไหนมันร้อนอย่างร้านอาหารอย่างนี้มันร้อนมีเสียงเพลงมีควยวบเวบวบเวบ มันไม่มีพระนิพพานเลยที่นั้นมีแต่นรกมีนรกอย่างเดียวนรกทางตานรกทางหูทาจมูกลิ้นกายจะมีแต่นรกทีนี้ถ้าเราข้าไปที่ไหนสงบเย็นว่าสงบเย็นที่นั้นแหละมีนิพพานแต่นิพพานของเราเป็นยังไงไม่ถาวรไม่ถาวจรจึงว่าพระพุทธเจ้า จ, จึงตรัสว่านิพพานทํำยังไงให้สัตว์มันยินดีในนิพพาน คือตัตตราในที่เมื่อคืนที่พูดนั่นแหละที่พูดนั่นแหละที่เป็นภาษาบาลีนะพูดว่าที่สัตว์ยินดีได้โดยยากเนี่ยมันไม่พอใจกับความสงบเย็นมันพบกับความสงบเย็นแต่ไม่รู้จักความสงบเย็นความสงบเย็นนั่นแหละคือนิพพานนิพพานคือตัวความสงบเย็นก็มันไม่มีราคะ มันไม่มีไฟคือราคะมันไม่มีไฟคือโทสะไม่มีไฟคือโมโหะมันก็สงบเย็นก็ว่างแล้วมันสงบเย็นสงบเย็นนั่นคือนิพพานมันไม่ได้อยู่ไกลเกลืออะไรที่ไหนหรอกพบเกือบทุกวันทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติจะพบนาทีนี้ก็ได้วินาทีนี้ก็ได้ชั่วโมงไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยถ้าเรามีนิพพานอยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ที่จิตที่ใจแล้วเรียกร้องมาได้ตลอดเวลา ถ้าเรามีนิพพานคือความสงบเย็นแล้วพอล้มตัวลงนอนนอนกับใครดีนี้นอนกับรพระนิพพานหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกสงบเย็นนอนกับนิพพานพอนั่งกอนั่งกับนิพพานนั่งกับนิพพานหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกสงบเย็นเอาเดินก็เดินกับรพระนิพพานได้ทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมที่สุดจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทุกคน อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความสงบเย็นนี่กรรมไรคนนั้นกรรมไรของชีวิตแล้วความสงบเย็นนี้แจกไปเจอไม่หมดแจกเท่าไหรเท่าไรก็ไม่หมดความสงบเย็นนี้ไม่หมดแจกจนตายนั่นแหละแต่ตายแล้วความสงบเย็นนั้นไม่ตายก็แจกเอาไวแล้วพอแจกเอาไว้แล้วคนที่รับแจกก็อาไปปฏิบัติต่อพอปฏิบัติต่อแล้วก็ได้ผล ว่าได้ผลว่าแจกต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกตายที่ไหนพระนิพพานยังเรียกว่าอมตะอามตะไม่ตายพระนิพพานไม่ใช่ตายใ้ที่ตายนี่มันร่างกายนั่นคือเปลือกคือเปลือกต่างหากแต่ว่าตัวพระนิพพานอมตะตายไม่ได้นี่นี่เรียกว่าอยู่เป็นอมตะมาตราอับเรว่าตาย อามาตะแปลว่าไม่ตายเห็น ไ, ไหมนี่ให้เราเข้าใจโอวะอย่างนั้นแน่ ใ, นใจพระพุทธเจ้าปาลินิพพานที่ไหนที่กกศินาราอันนั้นร่างกายของพระองค์แก่ว่าพระพุทธเจ้ารู้นิพพานนิพพานเมื่อกิเลส ข, ของพระองค์ดับหมดที่ใต้ต้นสีหมหาโพธิพุทธกยานั่นพระองค์นิพพานที่นั้นคือกิเลสตาย จ้าควาใจสิทธัตถะที่เป็นเบื้องหลังของพระองค์ตายหมดพระองค์ไม่เข่าวไปยึดมัน่นถือมั่นแล้วที่ระชวังที่อะไรต่ออะไรทรัพย์สมบัติอะไรทั้งหมดพระองค์ปล่อยวางหมดแล้วพอปล่อยวางหมดแล้วก็เกิดพุทธโธขึ้นมาพอ mm hmm. เกิดพุทธโธขึ้นมา mm hmm. กเกิดจุญญาตาขึ้นมาอะไรขึ้นมาแทนไหมนั่นพระองค์จะต้อรู้จะต้อรู้ของพระองค์นั่นแหละคือการนิพพาน ใครนิพพานก็กิเลสนั่นแหละมันนิพพานกิเลสมันตายพอ ก, กิเลมันตายหมดถ้าองค์ก่อนนิพพานนิพพานเพราะอะไรเพราะเกิดสติปัญญาขึ้นมาพรุงเลยปรุงเลยในจิตในใจนั้นเสร็จแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องตายถ้าพระพุทธเจ้าตายพนะระอรหันต์ทั้งหลายตายนะแล้วหลวงพ่อจะเอาอะไรมาพูดทีนี้นี่พระได้ทรัพย์สมบัติมาจากพระพุทธเจ้า ได้ทรัพย์สมบัติคือความว่างนี้มาจากพระธรรมมาจากพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแห็นมนี่แหละเราจึงต้องจุดตะเกียงต่อต่อตตตกันไปจุดตอ่อตกันไปเอ้าพออันนี้ร่างกายของคนนี้ดับไปคนนั้นก็ทําต่อคนนั้นก็ทําต่อทำต่อกันไปอย่างเนี้มันจะหมดที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าตรานานี้ตรานานี้ ตราบใดที่พวกเธอคือหมายถึงพิกูุทั้งหลายภิกษูภิกจูนิวบาโจกุบาติกาตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ดยังมีอยู่แล้วก็ยังมีคนเดินตามทางแห่งอริยมรรคมีองค์8นั้นศาสนานี้ไม่ว่างจากพระสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่สมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาบัน สรรมะทีสองก็คือพระสักิตาคามีธรรมะทีสามก็คือพระอนาคามีสมณะทีสี่ก็คือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่มาถึงนามรูปก็เป็นนานว่าน่าจะพอแล้วในค่าคืนวันนี้ให้อเอาอตอนเช้ามืดตอนตีสี่ครึ่งอีก พสี่ครึ่งจนถึง5คร่งหลวงพ่อก็ลงไปเอาหาอาหารไปวินตาบาดอีกนี่อาัยพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ยมันจะเป็นของใคร้าหัวใจองเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วเนื้อหนังก็ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งหมดเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงสุญญาตา พอค่าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาจิตว่างจากตัวตนแล้วมันก็สงบเย็นพอว่างสงบเย็นแล้วก็สบายที่สบายหมดนั่งก็สบายนอนก็สบายทําอะไรก็สบายมันสบายหมดสบายหมดมันเย็นหมดมันดับหมดมันก็เย็นหมดนี่ให้มันได้เดี๋ยวว่าให้มันได้ในชาตินี้เลยไอ้มันได้ในชาตินี้ต้นเป็นอันุกุ้มที่เราเกิดมาในกุ้มอาเวลาของการปัญญาใน ตอนค่ำนี้ก็ขอหยุดตีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้